แนะนำบทอัลกอซัสบทอัลกอซัสเป็นบทมักกิยะมี88องค์การที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับหลักการศรัทธาคือเรื่องเกี่ยวกับการให้เอกภาพแบบอัลลอฮฺศาลและการฟื้นคืนจีพเป็นบทที่มีแนวทางในการดำเนินเรื่องและจุดมุ่งหมายแบบเดียวกันกับบทอันนำและบทอาซูอัลลแก่หลักของบทนี้หมุนเวียนในเรื่องของสัจธรรมและความเท็จ เรื่องการยอมจานนและความดื้อรั้นและเรื่องการต่อสู้ระหว่างพลพรรคของอัลลอฮ์กับพลพรรคของไช่ตอดในการนี้ได้นํามากล่าวไว้สองเรื่องด้วยกันคือเรื่องแรกเกี่ยวกับการกดขี่ข่มเหงในการปกครองและการใช้อํานาจโดยยกตัวอย่างเรื่องของฟิโรูนนักปกครองที่ใช้อํานาจกดขี่ประชากรชาวอิสราเอลให้ได้ริมรัการลงโทษอย่างแสนสาหัสคือการฆ่าบุตรชาย การไว้ชีวิตสตรีเพศและที่ร้ายกาจไปกว่านั้นก็คือแสดงความโอหังต่ออโลโดยการกล่าวอ้างว่าเป็นพระเจ้าเรื่องที่สองคือเรื่องของการแสดงความโอหังและความหยิ่ผยองในการครอบครองทรัพย์สินเงินทองโดยยกตัวอย่างกอรูลกับพรรคพวกของเขาทั้งสองเป็นสั ญ, ญลักษณ์แห่งการกดขี่กลมเห้งความโอหังของมนุษย์ในการดํารงชีวิต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 และ ว, วาทะแห่งความยิ่งพยองบทนี้จบลงด้วยการชี้แนะไปสู่ทางแห่งความสุขนั่นคือทางแห่งการอีหมรันซึ่งบรรดา ศ, าศาสนาทูตผู้ทรงเกียรติได้เรียกร้องไปสู่บทอัลกออซถูกขนานนามเช่นนั้นก็เพราะอัลลอฮ์ทรงกล่าวถึงเรื่องของมูซาอย่างละเอียดตั้งแต่การเกิดของเขาจนกระทั่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรอดศูล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 เห ล, ล, ล่านี้คือองค์การทั้งหลายแห่งคำเพี้ยชัดแจ น, น, ร น, น, นเราอัลลอฮ์จะอ่านให้เจ้าฟังบางส่วนแห่งเรื่องราวของมูซาและเฟิ อ, อูนด้วยความจริง ถ้าจริงคืออ no ูนนั้นยิงพยองในแผ่นดินและทำให้ประชาชนนั้นแตกแยกออกเป็นกลุ่มๆ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 แลวเราได้ดนใจแก่มารดาของมูซาจงให้นมแก่เขาเมื่อเธอกลัวแทนเขาก็จงโยนเขาลงไปในแม่น้ำและเธออย่าได้กลัวและอย่าได้เศร้าโศก แท้จริงเราจะให้เขากลับไปหาเธอและเราใช้เขาเป็นหนึ่งในบรรดาศาสนาทูตดังนั้นบริวารของพิเราได้เก็บเขาขึ้นมาเพื่อให้เขากลายเป็นศัตรูและความเศร้าโศกเสียใจแก่พวกเขา แท้จริงฟิรูนและฮามานและไพฑุลของเขาทําสองเป็นพวกที่มีความผิดและภริยาของฟิรูนกล่าวว่าเขาจะเป็นที่น่าชิ่นชมยินดีแก่ฉันและแก่ท่าน อย่าฆ่าเขาเลยบางทีเขาจะเป็นประโยชน์แกเราหรือเราจะถือเขาเป็นลูกและพวกเขาหารู้สึกตัวใหม่ห ล, ล, ล, ลัก ใ, ใจของบรรดามูซาได้คลายความวิตกกังวลนางเกือบจะเปิดเผยกับเขา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 แล้วฆ่าเขาเขากล่าวว่านี่มันเป็นการการะทำของเซตอร์แท้จริงมันเป็นศัตรูที่ทําให้หลงผิดอย่างแจ็บแค้ น, บบ น, น, นเขากล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันแท้จริงฉันได้อาทํารมต่อตนเองขอราพระองค์ทรงอภัยโทษให้แก่ฉันด้วย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 ألمَّا أن أرادَ أن يبطش بالَّذي هو عدو لهما قال يا موسى قال يا موسى أتريد أن ت ق ت لي كما قتَل ت ن س ا بالأمس เมื่อเขาต้องการที่จะเป็นผู้ปราบศัตรูกับเขาทั้งสองเขากล่าวว่าโอมูซาเอ๋ยท่านต้องการที่จะฆ่าฉันดังที่ท่านได้ฆ่าคนหนึ่งไปแล้วเมื่อวานนี้ืท่านไม่ปราถนาสิ่งใดนอกจากผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน และท่านไม่ปรารถนาที่จะเป็นผู้รองดองให้ดีต่อกันและชายคนหนึ่งได้มาจากทางเมืองอย่างเรื่องรีบเขากล่าวว่าโอ้โมซาเอย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 ก็เป็นคนแก่มากแล้วแต่สพและมุมุมมาจะวันบินบินบินดินดังนั้นเขาจึงตักน้ําให้แก่นางทั้งสองแล้วก็กลับไปพักใต้รุ่มและกล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันแท้จริงฉันอยากได้ความดี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 เซลมูซากล่าวว่านั่นคือสัญญาระหว่างฉันกับท่านฉันจะปฏิบัติให้ครบหนึ่งในคำสั่งทั้งสองจะไม่ลำบากจใจแต่ฉันและอัลลอ์นั้นทรงเป็นพยานต่อสิ่งที่เราพูดกันลค า, ามลจลวสารลฮอนมินิตนารกาลฮิมกูอิน ันนครั้นเมื่อมูซาปฏิบัติครบกำหนดแล้วและได้เดินทางนำครอบครัวของเขาไปอียิปต์เขาได้มองเห็นไฟลุกอยู่ข้างภูเขาธุดเขาจึงพูดกับครอบครัวของเขาว่าจงอยู่ที่นี่ก่อนแท้จริงฉันเห็นไฟ บางทีฉัานจะนำข่าวจากที่นั่นมาให้พวกท่านหรือเอาดุลไฟมาเพื่อพวกท่านจะได้อบอุ่นขึ้น เมื่อเขาได้มาที่ไฟได้มีเสียงเรียกจากที่มุมทางด้านขวาในสถานที่ที่มีความจำเริ่นณนะที่ต้นไม้ว่าโอมูซาเอย๋ยแท้จริงข้าคือเอาล็อพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก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 จงสอดมือของเจ้าเข้าไปในกระเป๋าเสื้อของเจ้า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 ฟาอูดดิลิฮน وعلى ا ل ط ي فجعل لي ص ح لعلي أطلع إلى إله موسى وإني ل أظنّه ال من الكاذبين. และวฟิรูนกล่าวว่าโอปวงบริวาณเอย๋ยฉันไม่เคยรู้จักพระเจ้าอื่นใดของพวกเจ้านอกจากฉันโอ้ฮามานเอย๋ย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 บั้นปลายของพวกอาธรรมนั้นเป็นเช่นไรถ้า ال เราได้ทำให้พวกเขาเป็นหัวหน้าเรียกร้องไปสู่นรกยานน้ำและในวันกิยามาพวกเขาจะไม่ได้รับความชื่นเลือว่าจบ่หนาหุมทีิฮิดดุนยาล้วนะ แลวเราได้การสาบแช่งติดตามพวกเขาในโลกนี้และในวันเกียามะพวกเขาจะอยู่ในหมู่ผู้ถูก ข, ขับไล่ออกจากความเมตตา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 مُوسَ <ين> และเจ้ามูฮัมหมัดไม่ได้ปรากฏอยู่ทางด้านข้างพิตะวัลตกเมื่อเราได้กำหนดกิจการแก่มูซาและเจ้าไม่ได้ปรากฏอยู่ในหมู่ผู้ร่วมเป็นพยาน。 วะมาคุนตะฟาเวียนฟีอะห์ลีมเดียนะตัลลูอะลัยฮิมอายาตินาวะลาคินนาคุนนามุบซินีนทาวาเราได้บังเกิดอีกหลายศตรวตรรษแล้วการมีชีวิตอยู่ก็ยืนยาวแก่พวกเขาและเจ้าไม่ได้ปรากฏอยู่ร่วมกับกลุ่งชนของมัดยังเพื่อสาธยายองค์การทั้งหลายของเราแก่พวกเขาแต่ทว่า وما <سؤال> قنت بجانب الطور إبن دينا ولكن رحمة من ربك رحمة من ربك لتذر قوم ما أتمن من ن ذ ي ر من قدرك من ن ذ ي من ق د ِ ك لعلهم يتذكرون. لا ت م ح ه م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 ا أ ข้นเมื่อสัจธรรมจากเราไดมาอย่างพวกเขาแล้วพวกเขากล่าวว่าทำไมเขามูหมมัดจึงไม่ได้รับเยี่ยงที่มูสาไดรับเรา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 ว่าดังนั้นพวกเจ้าจงนำคำทีสักเล่มหนึ่งจากอัลลอฮ์ที่ดียิ่งกว่าทั้งสองมาซิเพื่อที่ฉันจะได้ปฏิบัติตามมันหากพวกเจ้าเป็นผู้พูดจิต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 แต่เราจะส่งชี้แนะทางนำที่ถูกต้องแก่ผู้ที่ปรองทรงประสงค์และปรองทรงรู้ดียิ่งถึงผู้ที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง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 เป็นเครื่องอยังชีพที่มาจากเราแต่พวกเขาส่วนมากไม่รู้และกี่มากน้อยแล้วที่เราได้ทำลายเมืองซึ่งยิ่งพยองในความเป็นอยู่ของหมัน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 แล้วในวันเกียมะเขาเป็นผู้หนึ่งในหมู่ผู้ถูกนำมาอยู่ต่อหน้ากระ น, นั้นหรือและจงรำลึกถึงวันที่พระ อ, องค์ทรงเรียกพวกเขาแล้วตัว่าไหนเล่าเลาาคีของข้าที่พวกเจ้ากล่าวอ้างและจงรำลึกถึงวันที่พระองค์ทรงเรียกพวกเขาแล้วตรัสว่าไหนเล่าเล่าภาคีของข้าที่พวกเจ้ากล่าวอ้าง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 าและพระพูดอภิบาลของเจ้าทรงสร้างสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์และทรงคัดเลือกสำหรับพวกเขาไม่มีสิทธิในการเลือกมหาบริสุทธิ์แด่ลล l a h และพระองค์ทรงสูงทร ง, งจากสิ่งที่พวกเขาตั้งภาทีรัลลอฮฺแก่ละมัตุกินนุดูรย์ุมและยังลูน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 การสรรเสริญ <Azerbaijan> ในโลกนี้และโลกหน้าและการชี้ขาดนั้นเป็นสิทธิ์ของพระองและอย่างพระองเท่านั้นที่พวกเขาจะถูกนำกลับต้องกล่าวเถิดมูฮัมัด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 และกลางวันเพื่อพวกเจ้าจะได้พักผ่อนในเวลานั้นและเพื่อพวกเจ้าจะได้แสวงหาความโปรดปรานของพระองค์และเพื่อพวกเจ้าจะได้ขอบคุณและจงรำลึกถึงวันที่พระองค์ทรงเรียกพวกเขาแ ล, ล้วตรัสว่าไหนล่ะ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 ดังนั้นพวกเขาจึงรู้ว่าแท้จริงสัจธรรมนั้นเป็นของอัลลอ์และสิ่งที่พวกเขาได้กู่ขึ้นนั้นได้สูญไปจากพวกเขาเสียแล้วอินนการูนักานมินก م มูซา فبلغ ع ل ي ه ุ وأتيناه م น ا ل ك ل า ز ิ ا إنما فاتحه บิล و ب ا ل ع ิ ب ة للقوة แท้จริงกอรูนมาจากกลุ่มชนของมูซาเขาได้กดที่ต่อพวกเขาและเราได้ประทานทรัพย์สมบัติอันมากมายให้แก่เขาจนกระทั่งรูปกุญแจทั้งหลายของมันนั้นเมื่อคนแข็งแรงกลุ่มหนึง่งยกแบกได้ความยากลำบาก เมื่อกลุ um ่มชนของเขาก่าวแก่เขาว่าอย่าได้ยิงพยองเพราะแท้จริงอัลลอ์นั้นไม่ทรงโปรดปรานผู้ญิงพยอง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 เขากรุนกล่าวว่าฉันได้รับมันเพราะความรู้ของฉันเขากอรุนไม่รู้ดอกรู้ว่าแน่นอนอัลลอฮ์ได้ทรงทำลายผู้ที่มีพลังยิ่งกว่าและมีกพรกมากกว่าก่อนหน้าเขาในสัตวรวัก่อนๆและบรรดาผู้กระทำความผิดจะไม่ถูกสอบเกี่ยวกับความผิดต่างๆ ขของพวกเาดอกห ด, รรดังนั้นเขาได้ออกไปหากลุ่มชนของเขาด้วยเครื่องประดับอันโอ่อาของเขาบรรดาผู้ปรารถนาชีวิตแห่งโลกนี้กล่าวว่า โอ้หักเรามีเช่นที่กอรูนได้ถูกประทานมาแท้จริงเขาเป็นผู้มีโชควาสนายิ่งใหญ่จริงจังและบรรดาผู้ได้รับความรู้กล่าวว่าความวิบัติจงกระสบแก่พวกเจ้า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 แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์จากบ่วงบ่าวของพระองค์หากไม่ใช่ล้อทรงโปรดปรานแก่เราแล้วแน่นอนพระองค์ก็จะทรงให้ธรณีสูบเราลงไปด้วยพึงทราบเถิดแท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธสถานั้นจะไม่ประสบใชยชนะทิลคัดดาอูลอาฮ์ร์ตูเลจัลฮ์ฮะลิลลัดีนลายูรีดูนัลูฮ์ฟิลอัลฟ์ซวลาฟัสซาดา ดด น, น, นั่นคือที่ผมนักแห่งปรโลกเราได้เตรียมมันไว้สำหรับบรรดาผู้ที่ไม่ตราตนาความหยิ่งผยองในแผ่นดินและไม่ก่อความเสียหาย ่บบนนปปลายปาย ย, มมสสยยาสส ย, ยาออมเ็ขงดรผู้ใดนำเอาความดีมาเขาก็จะได้รับความดียิ่งและผู้ใดนำเอาความชั่วมา บรรดาผู้กระทำความชั่วทั้งหลายนั้นจะไม่ถูกตอบแทนนอกจากที่พวกเขาได้กระทำเอาไว้อินนัลที่ถ้ารดอัยัลกุรอานละรัดดค์อิลามาดและอัลฎบีอัลัมมันจเจบิลฮุดาวะมันฮูวัฟีด ل ลาลมูบีนแท้จริงพระผู้ทรงประทานอัลกุรอานให้แก่เจ้า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 ลา อ, ออาอิล AH. าห์อิลล اؤ ฮฺทุกุอย่างิ่งทุกอล่างทุกสิุ่กอย่างทุกสิ่งยอย่างกสิ่งทอย่างิ่งทุอย่างทุกสิ่งอย่นงทุกสิ่งกอย่างกสิ่งทุกอ่างทุกสิ่งกอย่างทกิ่งทุกอกจากสิ่งอย่างทุกสิ่งกอย่างทกิ่งทุอย่างกสกอางทุสิ่งทุกาสิ่ ข, ของทรงุอ่งค์ และอย่างพระองค์เท่านั้นพวกเจ้าจะถูกนำกลับไป